บุกทูห้าสิบเก้าที่ทำการไพร์สเน่นที่ทำการไปรษสีน่ที่ใกล้ที่สุดอยู่ที่ไหนเดนช ที่ทำการไพรส์นีใกล้จากที่นี่ไหมตัูในย์ตู้ไรสนีที่ใกล้ที่สุดอยู่ที่ไหนไดในใิตวสริดิฉันต้องการสแตมสองสามดวงไม่ติริกามารสำหรับการ์ดและจดหมาย Для ค่าส่งไปรษณีย์ไปอเมริการาคาเท่าไหร่สกิล ь к и ค о ш т у є п ส ш т ี в ส й บ б ร์วอเมริกูพัสดุหนักเท่าไหร่สกิล ь к и ว а จ и т ь п а к ค н ุนกดิฉันส่งทางจดหมายอากาศได้ไหม чи м о ж ูมม я าสสลาดท це авіапоштою ใช้เวลานานเท่าไหร่กว่าพัสดุนี้จะไปถึง Yak długowiecznie m ฉันโทรศัพท์ได้ที่ไหนตู้โทรศัพท์ที่ใกล้ที่สุดอยู่ที่ไห น, น, นคุณมีบัตรโทรศัพท์ไหมคะ Ви маєте кардки? телефонні смутт кар คุณมีสมุดโทรศัพท์ไหมคะคุณทราบรหัสโทรศัพท์ของประเทศออสเตรียไหมคะรอสักครู่ขอดูก่อนนะคะ สายไม่ว่างตลอดเวลาลี н นียจะฟรีไซน์เนคุณต่อเบอร์อะไร Який н омер ви набрали? ี и คุณต้องกดศูนก่อน в ิ повинні набрати спочатку 0 ну